ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะปปะปุพพสิกขาและบุพพสิกขาวันานาพระอมราพิรุิตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมนิวาสนาต่อไปจะเป็นเรื่องของการอธิษฐานและวิกัปปบาทจะ ก, กล่าวในอธิษฐานและวิกัปปบาทบาทเหล็กบาทดิน ประกอบด้วยประมาณจึงควรอธิษฐานและวิกรประมาณแห่งบาสนั้นมีสามก็คืออุ ก, กัตโถบาศขนาดใหญ่อย่างหนึ่งมัชชิมโมบาศขนาดกลางอย่างหนึ่งโอมะโกบาศขนาดเล็กอย่างหนึ่งบาศขนาดใหญ่นั้นจุเข้าสุกแห่งข้าวสารกึ่งอารหะกะคือข้าวสารสองฉนานมคตในอันทะกัตติกถา กล่าวว่าชื่อว่าทนานมคกนั้นสิบสองปาระครึ่งในมหาอาจักกถากล่าวว่าปกตินารีทนานโดยปกติในสีหหนทวีปก็ใหญ่ไปทมินนารีคือทนานทมินก็เล็กไปมากดนารีทนานมคกจึงประกอบด้วยประมาณทนานครึ่งแห่งทนานมาคกนั้นเป็นทนานในสีหหนอันหนึ่ง เพราะนั้นธนานของสีหนกใหญ่กว่าธนานมาคตก็ตแลวิธีซึ่งจะคิดปละและประมาณมาคตนาวีตามดีกาและคำภีรอันเศษจักไว้กล่าวในที่สุดแห่งวรนนาทั้งปวงประมาณบาศขนาดใหญ่ให้เอาข้าวสาดีที่ไม่หักที่เก่าแรงตีเขาซ้อมแล้วบริสุทธ์ด้วยดีตวงให้ได้สองธนานมาคตดังว่าแล้วนั้นหุงอย่ารินนัด อ, ออกเสีย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 พาสนข้างล่างถึงได้หรือว่าเส้นตาลถูกของในบาทใช้บาทเช่นนี้ชื่อว่าเป็นบาทขนาดใหญ่ถ้าของในบาทนั้นพูนเกินเหลี่ยมปากบาทขึ้นมาใช้บาทเช่นนี้ชื่อว่าบาทขนาดใหญ่อย่างเล็กถ้าของในบาทไม่ถึงเหลี่ยมขอปากบาทคล่องอยู่ในบาทแล้วใส้บาทเช่นนี้ชื่อว่าบาทขนาดใหญ่อย่างใหญ่นก็เป็นบาทขนาดใหญ่แต่ว่ามีสามอย่างสามขนาด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 บาดเช่นนี้ก็ชื่อว่าบาดขนาดกลางถ้าของนั้นล้นปากบาดขึ้นมาไซบาดเช่นนี้ชื่อว่าบาดขนาดกลางอย่างเล็กถ้าของนั้นไม่ถึงเหลี่ยมขอปากบาดพร่องลงไปอยู่ในบาดเนาไซบาดเช่นนี้ชื่อว่าบาดขนาดกลางอย่างใหญ่เป็นบาดขนาดเล็กนั้นให้เอาเข้าวสารกึ่งธนานมคตหงงขึ้นดังก่อนแล้วก็จุลงในบาดเอาแกงถั่วเท่าส่วนที่สี่แห่งข้าสุก และกับข้ามีปลาและเนื้อเป็นต้นเท่าส่วนที่สี่แห่งก้าสุของทั้งปวงจุลงหมดแล้วถ้าเสมอคอปากบาทข้างล่างดังก่อนบาทเช่นนี้ก็ชื่อว่าบาทขนาดเล็กถ้าของนั้นพูนปากบาทขึ้นมาไซบาทเช่นนี้ก็ชื่อว่าบาทขนาดเล็กอย่างเล็กถ้าของนั้นไม่ถึงเหลี่ยมคอปากบาทพร่องอยู่ไปในบาทเล่าไซบาทเช่นนี้ก็ชื่อว่าบาทขนาดเล็กอย่างใหญ่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 ต้องปาจิตตีด้วยปัตติคขาบททรงอธิรกบาทไว้ได้ไม่เกินสิบวันบาตรเจ็ดขนาดเท่านั้นใหญ่อย่างใหญ่กับเล็กอย่างเล็กอันนี้ใช้ไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นบาตรบาตรแม้ประกอบด้วยประมาณพึงรู้ว่าจัดควรอธิษฐานและวิกับดังนี้อีกบาตรเหล็กระบมแล้วห้าใบบาตรดินระบมแล้วสองใยจึงควร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 จึงควรอธิษฐานบาตรใดควรอธิษฐานบาตรนั้นเองควรวิกัพบาตรนั้นจะมาถึงมือแล้วหรือว่ายังไม่มาถึงก็ตามพึ่งอธิษฐานหรือว่าวิกัพแต่เสียในติบวันด้วยว่าช่างบาตรเขาได้ค่าจ้างแล้วหรือเขาอยากจะทำถวายเองเขาบอกว่าข้าพเจ้าจะทำบาตรแล้วระบมในวันชื่อนูน้นตั้งไว้ดังนี้ ก็ตแต่วันที่ช่างบาดเขากําหนดไว้พิกจุให้ล่วงสิบวันไปบาดนั้นเป็นนิสกียบต้องบาดิตตีถ้าแล้ช่างบาดเขากล่าวว่าขับเจ้าจะทาบาดแล้วระบมทรงข่าวสารไปแก่ท่านดังนี้แล้วเขาทําอย่างนั้นเล่าใส่แต่พิจุที่ช่างบาดตั้งมาไม่บอกแก่พิจุผู้เจ้าของนั้นผู้อื่นได้เห็นหรือว่าได้ยินมาบอกว่าบาดของท่านสําเร็จแล้วดังนี้คําแห่งผู้อื่นนั้นไม่เป็นประมาน ต่อเมื่อใดเธอคือพิษุที่ช่างบาดตั้งมาให้บอกได้บอกแก่เจ้าของบาดแล้วตั้งแต่วันได้ยินคำแห่งพิจุที่มาบอกนั้นไปเมื่อให้ต่วงสิวันไปก็เป็นนิสักิยะปจิตีถ้าช่างบาดเขาว่าข้าพเจ้าจะทําบาดระบมส่งไปในมือผู้หนึ่งแก่ท่านดังนี้แล้วเขาทําดังนั้นแต่พิษุผู้รับบาดมาเอาไว้เสียที่บริเวณของตนหาบอกแก่เจ้าของไม่ ผู้อื่นถามว่าบาทรของท่านได้มาใหม่ดีอยู่หรือเธอนั้นถามว่าบาทที่ไหนเล่าผู้อื่นบอกว่าเขาฝากมาในมือของพิษุชื่อนี้แม้คำแห่งผู้อื่นนั้นก็ไม่เป็นประมาณต่อเมื่อใดพิจุผู้รับมาเอาบาทมาให้ตั้งแต่วันได้แล้วไปเมื่อให้ล่วงสิบวันไปเป็นอิสติกยาจิตตีเรืเห็ น, นั้นอย่าให้ล่วงสิบวันพิงอธิษฐานหรือว่าวิกัปเสีย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 อิมังปัตตังปัจจุธรามิขปเจ้าถอนบาดผืนนี้ดังนี้อยู่ในที่นับหลังนอกขัตบาทก็พึงปัจจุทอนว่าเอตัปตตังปัจจุธรามิดังนี้ขปเจ้าถอนบาดนั้นบาดใบนั้นหรือให้บาดนั้นเสียแก่ผู้อื่นแล้วถ้าให้ก็ชื่อว่าขาดไภิธานนั่นเหมือนกันเอามือถูกบาดใหม่ ซึ่งวางไว้แห่งไดแห่งหนึ่งแล้วทําความผูกใจว่าอีมังปัตตังอธิษฐานิกำมือรูปคําที่บาสนั้นทำกายยวิการคือรูปไปด้วยนี้เรียกว่าอธิษฐานด้กายหรือว่าเปล่งวาจาออกให้ดังว่าอีมังปัตตังอธิษฐานิดังนี้ชื่อว่าอธิษฐานด้วยวาจาซึ่งมีสองอย่างก็คืออยู่ในหัตถบาสกับนอกหัตถบาสถ้าอยู่ในหัตถบาสเึงเปล่งวาจาว่าอีมังปัตตังอธิษฐานิ ถ้าอยู่ในภายในห้องหรือว่าบนประสาทหรือว่าอยู่ในทิหารไกลเล่าไซส์ก็พึงกําหนดที่ตั้งแล้วเปล่งวาจาว่าเอตังปตังอธิษฐานิขับเจ้าขออธิษฐานบาตใบนั่นที่อยู่ที่นู้นเมื่อจะอธิษฐานแม้จะอธิษฐานคนเดียวก็ควรแม้จะอธิษฐานในสำนักผู้อื่นก็ควรแต่อธิษฐานในสำนักผู้อื่นมีอ น, นิสงส์ดังนี้คือถ้าสงสัยว่าอธิษฐานแล้วหรือ ยังไม่ได้อธิษฐานความสงสัยเกิดขึ้นแต่เธอเล่าใส่ผู้อื่นจะช่วยให้อตระดึกตัดความสงสัยให้ได้ดังนั้นกนารอธิษฐานในสำนักผู้อื่นก็ดีเพื่อลืมเขาจะมีคนช่วยเตือนถ้าพิจุผู้หนึ่งได้บาทมาสิบใบเธออยากจะบริโภคให้หมดทั้งสิบใบเล่าไปยย่ยาพึ่งอธิษฐานให้หมดทั้งสิบใบพึ่งอธิษฐานขึ้นใบหนึ่งและรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็พึ่งปัจจยุดถอนใบนั้นเสีย แล้วก็อธิษฐานใบอื่นอีกโดยอุบายอันนั้นอาจจะบริหารรักษาได้แม้สิ้นร้อยปีเลยทีเดียวแต่ว่าใครจะมาอธิษฐานแล้วก็มาถอนทุกวันทุกวันทุกวันใครจะทําก็แล้วแต่อนุเคราะห์คนที่อบาบัติมาถวายใช้ให้ได้ติดใบเลยเพื่อเขาจะได้บุญมากก็เลยอธิษฐานถอนทุกวันทุกวันอย่างนี้บริหารได้ถึงร้อยปีก็ได้มันไม่ผิดพระวินัยแต่ก็ดูความเหมาะสมก็แล้วกัน อธิษฐาน ก, กถาจบเรื่องกันอธิษฐานบาทต่อไปจะเป็นวิกัป บ, บาตจะ ก, กล่าวในวิกัปกล่าวใวิกัปต่อหน้าและรับหลังทั้งสองก็เหมือนกับวิกัปชีวรนั่นแหล ะ, ละจะ ก, กล่าวแต่คําวิกัปในวิกัปต่อหน้าที่ต้นอยู่ใกล้บาทใบเดียวว่าอิมังปตังหลายใบยก็ว่าอิเมปเตอยู่ไกลใบเดียวก็ว่าเอตังปตังถ้าหลายใบยก็เอเตปเต แล้วลงปลายว่าตุยหังวิกัปเปมิทุกทีวิกัปต่อหน้าในที่สองศาธมิกทั้งห้าชื่อใดให้กล่าวชื่อนั้นดังพิจุชื่อว่าติสสะก็วิกัปว่าอิมังปตังติสัสสะพิคุโนวิกัปเปมิทวิกัปรับหลังก็ว่าอิมางปตังตุยหังวิกัปปนัฏหายะดังนี้ผู้ช่วยรับวิกัปเจ้าของบาตรก็บอกชื่อสาธมิกเป็นต้นว่าชื่อว่าติสสะให้กล่าวว่า อาหังติดสัตตะพิคุโนดามิวิกับแล้วจะเก็บไว้ควรอยู่จะบริโภคเป็นต้นไม่ควรปัจจุทรแล้วดังกล่าวในปัจจุทอนท่าจึงควรบริโภคเป็นต้นได้อยู่ใกล้อยู่ไกลไปเดียวหลายใบและชื่อแห่งสะคำมิกก็ให้รู้จักเปลี่ยนดังกล่าวแล้วในจีวนั้นเถิดวิกัปะปะณะกถาจบ คำว่าอิมังพิทุกับปังกโรมิแปลว่าเราทําวงกลมอันนี้เราทําวงกลมอันควรนี้ถ้าคําว่าอิมังชีวรังปัจจุธรามิเรากลับถอนผ้าอิมังปัตตังปัจจุธรามิเราปรับถอนบาสนี้อิมังสังคาติงอธิถามิเราตั้งไว้เฉพาะซึ่งผ้าสังคาติอิมังปัตตังอธิถามิเราตั้งไว้เฉพาะซึ่งบาสนี้ อิมังชีวรางปริขาโจดังอธิฐานนี้แปลว่าเราตั้งไว้เฉพาะซึ่งผ้านี้เป็นท่อนผ้าเป็นบริขารอิมังชีวรังตุยหังวิกัปเปมิก็แปล ว, ว่าท้าเจ้ากําหนดวิเศษไว้ซึ่งผ้านี้แก่ท่านแปล ว, ว่ากําหนดวิเศษหรือกับเนี่ยแปล ว, ว่าวิกับสองตัวอ่ะอิมังสตังติดสสะพิคุโนวิกัปเปมิก็แปล ว, ว่า เรากำหนดวิเศษไว้ตึงปาดนี้แก่ติตตาพิจูอิมังคีวรังตุยหังวิกัปปะนัฏฐายะดำมิเราให้ตึงผ้านี้แก่ท่านเพื่อกำหนดวิเศษไว้อิมังปะตังตุยหังวิกัปปะนัฏฐายะดำมิเราให้ตึงบาดนี้แก่ท่านเพื่อกำหนดวิเศษไว้ให้ท่านเพื่อวิกัปให้หน่อยอหังติตสารพิคุโอะดำมิแปลว่าเราให้แก่ติตตาพิจู ไม่หังสันตังการปริปุนชะวาวิตตเชหิวายถ า, าปัจยังวาการโรหิท่านจงบริโภคหรือว่าจงเสียสระหรือว่าจงทาตามเหตุทำตามเหตุติดสัตตพิคุโนก็หมายถึงซึ่งของติดสัตตพุอันหนึ่งในคำนี้ควรประกอบชื่อผ้าชื่อบาเข้าด้วยว่า อิมังจีวารังไมหังสันตกังปริปุญชาวาวิสัชเชหิวายถาปัจิยังวาคารโอหีหรือว่าอิมังปัตตังติดสัตสามพิคุโนสันตังปริปุญชาวาวิสัชเชหิวายถาปัจิยังวาคารโอหีดังนี้ก็จะ ด, ดีถ้าถ้าหลายผืนหรือว่าบาดหลายใบเรให้ว่าอิมานิจิวราณิหรือว่าออิเมปะเตนไมหังสันตการิ ถ้าเป็นของจีวรถ้าสันตะเกก็ของบาทผู้ถอนว้กับอ่อนกว่าเจ้าของก็ให้ว่าด้วยผู้หัวชนะว่าปริพุนชะะว่าวิสัชเชทะวายถาปัจยังวากโรทะอันนึ่นจะกล่าวแต่บทเดียวว่าปริพุนชะหรือว่าปริพุนชะะหรือว่าวิสัชเชหีวิสัชเชทะหรือยถาปัจยังกโรหียถาปัจยังกโรธะบทใดบทหนึ่งก็ได้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 จบข้อที่ห้าว่าด้วยเรื่อ ง, องการอัิษฐานและก็เรื่องพินทุต่างๆต่อไปจะเป็นลำดับที่หกจะกล่าวในข้อที่หกชื่อว่าวิชหานาดิตพะก็ว่าด้วยวิธีมีขาดอธิษฐานเป็นต้นถ้าที่พิกตุออธิษฐานโดยชื่อดังกล่าวแล้วและบริโภคอยู่จะมาละอธิษฐานไปก็คือขาดอธิษฐานด้วยเหตุเก้าอย่างด้วยกันก็คือ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 ถึงแก่อันิจกรรมก็คือตายอย่างที่เจ็ดลิงคะปริวัตณีนะเพศกลับเสียบุรุษกลับเป็นสตรีหรือว่าสตรีกลับเป็นบุรุษเสียอย่างที่แปดปัจจุดธารเนนะปัดจุนะดถอก็คือถอนอธิฐานเสียแล้วก็อย่างที่เก้าฉินดัตพาเวนะเป็นช่องทะลุเป็นเก้าอย่างในดีกาวิมติวิโนธนีกล่าวว่าข้อทึงว่าหมุนไปเพื่อเป็นคนเรวนั้นประสงค์ว่า ต้องปาราชิกแล้วยังตั้งอยู่ในภิกตุปฏิกยาแล้วไปถือเพศครือขัดก็ดีไปถือระที่เดรัถย์และถือเพศแห่งเดรัถย์ก็ดีและนางภิกษุณีสิ้นความเหลียวแลในความเป็นภิกษุนีไปถือเพศครือขัดก็ดีชื่อว่าหมุนไปเพื่อเป็นคนเลวปังอาจารย์กล่าวว่าประสงค์เอาไม่ลาติขาแล้วก็ไปเป็นหั้นชื่อว่าหมุนไปเพื่อเป็นคนเลว ท่านคานว่าธรรมอาจารย์นั้นไม่ชอบเพราะว่าแม้ถึงไปเป็นพระดาษเช่นนั้นผู้นั้นยังเป็นอุปสมบัติอยู่ผ่านั้นยังไม่มละซึ่งความเป็นของผู้นั้นก็แล้ผ้าทั้งปวงย่อมละอธิษฐานด้วยเหตุแปดอย่างข้างต้นแต่มละอธิษฐานด้วยเป็นช่องทะลุนั้นในอัตถิฐาทั้งปวงท่านว่าแต่ตรายจีวร อ, อย่างเดียวเฉพาะตรจีวรนั้นนะที่อยู่องช่องทะลุจึงขาดอธิษรานผ้าอื่นไม่เป็น ก็นช่องทะลุนั้นประมาณเท่าหลังเล็บ ก, ก้อยเท่าหลังเล็บนิ้วก้อยช่องนั้นทะลุไปกี่เดียวจึงขาดอดิฐานด้วยว่าในระหว่างช่องนั้นส้าแม้ใ่เส้นได้อันหนึ่งยังไม่ขาดไซก็ยังรักษาอยู่ก่อนผ้าสังคติและอุรารสงด้านยาวแต่ที่สุดผ้าเข้าไปประมาณคืบหนึ่งด้านกว้างแต่ที่สุดผ้าเข้าไปประมาณแปดนิ้วเป็นช่องทะลุในประมาณนั้นเข้าไปจึงทาลายอดิฐาน แต่ถ้าเป็นผ้าอุตรประสงค์คือผ้าสบ o n เนี่ยด้านยาวแต่ที่สุดเข้าไปประมาณทืบหนึ่งด้านกว้างแต่ที่สุดผ้าเข้าไปประมาณสี่นิ้วเป็นช่องทะลุในนั้นเข้าไปจึงทําลายอธิษฐานนอกนั้นออกมาในที่กําหนดไม่ทําลายอธิษฐานเพราะเหตุนั้นเมื่อช่องทะลุเกิดขึ้นผ้านั้นย่อมตั้งอยู่ในที่เป็นอัจเดคิวรก็มีเวลาสิบวันเท่านั้นถ้เกินไปก็ต้องะระบาดนิสกิยาปจิ ต, ตี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 แม้บาตรที่อธิษฐานไว้แล้วก็ละอธิษฐานด้วยเหตุเก้าอย่างเหมือนกันเหมือนกับพาดแต่ช่องทะลุนั้นใหญ่มเมล็ดข้าวฟ่างลอดเข้าออกได้จึงจักทําลายอธิษฐานด้วยว่าในธรรชาติเจ็ดชนิดนั้นน่ะเมล็ดข้าวฟ่างนี้แหลเป็นอย่างต่ําที่สุดในช่องทะลุนั้นเมื่ออุดด้วยจุนหรือว่าหมดแล้วพึงอธิษฐานเสียอีกในภายในติดวันเถิดปล่อยให้สิบปันล่วงเกินไปก็อาบัต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 และกล่าวว่าเราให้หรือว่าเรามอบให้หรือว่าเราบริจาคเราสลับสิ่งนี้แก่คนชื่อนี้ในที่รับหลังดังนี้เป็นอันให้แท้ผู้ให้กล่าวว่าท่านจงถือเอาเพื่อท่านผู้รับกล่าวว่าข้าพเจ้าถือเอาเพื่อข้าพเจ้าดังนี้เป็นอันให้ด้วยดีและถือเอาด้วยดีก็ถือว่าเป็นการสลัสิทริ์แล้วจะมาถือเอาคืนไม่ได้ผู้ให้กล่าวว่าท่านจงทาให้เป็นของของท่านเถิด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 แม้เธอผู้ให้ก่อนก็สําคัญว่าเราให้แล้วและในผ้าอเจเด็กจีวรนั้นก็ให้ร่วงสิบวันไปแม้ผู้รับก็สําคัญว่าเราห้ามเขาแล้วดังนี้ไม่เป็นอบัติแก่ผู้ใดผู้หนึ่งด้วยว่าผู้ใดชอบใจผู้นั้นก็จะพึงอธิษฐานขึ้นบริโภคในอัตตกถาแห่งจีวราฉินตนะศิขาบทกล่าวว่าให้ผ้าแก่ปิจุด้วยคําว่าเราให้แก่ท่าน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 แต่จะให้คืนเอามาควรอยู่เพราะว่ายังมีสัญญาเป็นของตนอยู่เมื่อปรับชิงถือเอาของที่สนัะให้ขาดแล้วพระวินัยชอมควรปรับเธอตามราคาแห่งพันตะก็คือถ้าเกิดให้ขาดแล้วนี่ไปชิงเอาคืนมาก็เป็นอบัตได้ปรับอบัตตามราคาของเลยข้อหนึ่งพระองค์ทรงอนุญาตให้ถือเอาด้วยวิสาสะแก่ที่จุพร้อมด้วยองค์ห้าก็คือ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 รับไปในกลางทางก็ถือเอาเสียด้วยวิสาสะแห่งผู้ฝากไปชื่อว่าถือเอาด้วยดีวิสาสะจากคนฝากเพราะว่ายังไม่ถึงผู้รับต้องวิสาสะจากคนฝากเกี่ยวกับของคนฝากอยู่เจ้าของฝากไปให้แก่ผู้ใดถือเอาด้วยวิสาสะแห่งผู้นั้นชื่อว่าถือเอาไม่ดีต้องถือวิสาสะจากคนฝากถ้าได้ยินข่าวกลางทางว่าผู้ฝากไปนั้นถึงอนิจจกรรมเสียแล้ว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 และอธิษฐานเอาเป็นผ้ามรดกแห่งผู้นั้นชื่อว่าอธิษฐานเอาไม่ดีเพราะว่ายังไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับผู้ที่จะเอาไปให้ถ้าถือเอาด้วยวิสาจะแห่งผู้ฝากไปชื่อว่าถือเอาได้ดีถ้าได้ยินว่าถึงอนิจกรรมเสียแล้วทั้งสองข้างและอธิษฐานเอาเป็นผ้ามรดกแห่งผู้ฝากไปนั้นชื่อว่าอธิษฐานเอาด้วยดีฝ า, ไากไปเพื่อผูไดอธิษฐานเอาเป็นผ้ามรดกแห่งผู้นั้นชื่อว่าอธิษฐานเอาไม่ดี อันหนึ่งพิุกปากผ้าไปในมือแห่งพิจูว่าเราให้ผ้านี้แก่พิจูชื่อนี้ทีแรกนี่พิกจูปากจีวรไปในมือแห่งพิจูบอกว่าต่างว่าท่านจงให้ผ้านี้แก่พิจูชื่อนี้ต่างว่าท่านจงให้ผ้านี้แก่พิจูชื่อนี้อันนี้อย่างหนึ่งยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฝากอยู่แต่ว่าอันหลังนี่บอกว่าเราให้ผ้าผืนนี้แก่พิจูชื่อนี้อันนี้ชื่อว่าให้ดีแล้วกลายเป็นของผู้รับไปแล้วล่ะ ของผู้ที่พิสูจน์รูปนี้ให้เลยนะผู้รับรับไปในการทางถือเอาเสียด้วยวิสาสะแห่งผู้ฝากชื่อว่าถือเอาไม่ดีแต่ว่าให้แล้วเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับไปแล้วฝากไปเพื่อผู้ใดถือเอาด้วยวิสาสะแห่งผู้นั้นชื่อว่าถือเอาด้วยดีถ้าได้ยินว่าผู้ฝากหรือว่าผู้จะได้ถึงแก่กรรมเสียหรือถึงแก่กรรมทั้งสองข้ามปรีถ้าถือเอาด้วยวิสาสะของผู้จะได้ หรืออธิษฐานเอาเป็นผ้ามรดกแห่งพูดจะได้ชื่อว่าถือเอาด้วยดีอธิษฐานเอาด้วยดีถ้าถือเอาด้วยวิสาสะของผู้ฟาหรืออธิษฐานเอาเป็นผ้ามรดกของผู้ฟาชื่อว่าถือเอาไม่ดีอธิษฐานเอาไม่ดีเดิ่องคำพูดนี้ก็สําคัญเทวินัยนี้ก็เรื่องของพยัญชนะนี้ก็สำคัญมากนัะก็ต้องดูทานาดิคาถาจบเรื่อ ง, องการให้คงจะสมควรเปเวลา่อใหท่านทั้งหลายได้ สัทธาประสาทะในการที่เอื้อเฟื้อเพื่อที่จะรักษาพระวินัยเพื่อเป็นปัจจัยเกื้อกูลใ่การที่จะปฏิบัติธรรมะก็ขอให้งดงามด้วยอธิศินงดงามด้วยอธิจิตแล้วก็งดงามด้วยอธิปัญญาสามารถที่จะอบรมไตรจิกาให้ประชุมพร่งคล้องกันเพื่อบรรลุอริยมรรคเปองค์แปลงจะได้ไม่ต้องกลับมาสู่วัฏฏทุกขนี้อีกขอให้เจริญในกุศลรธรรมแล้วก็รุ่งเรืองในภูมิรศาสนาจนกว่าจะไม่ต้องเวียนว่ายใจเกิอดอีต่อไป อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุ